ปัญหาข้อที่21ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีกถ้าหากกิเลสยังมีอยู่วิญญาณจะไม่มีวันดับศูนย์วิญญาณจะต้องมีอยู่เรื่อยไปแต่เมื่อเป็นพระอาหารหันตกิเลสหมดสิ้นแล้วตายแล้วจึงจะไม่เกิดอีกข้อนี้หมายความว่าวิญญาณดับศูนย์ไปเลยหรือว่าไม่ศูนย์เพียงแต่ไม่เกิดเท่านั้น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 ปัญหาที่ปรารพถึงที่สุดในเบื้องต้นหรือปรารพถึงที่สุดในเบื้องปลายในทํานองนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอ ah ันตะคาหิกาทิฏฐิอันตะคาหิกาทิฏฐิเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณคือถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับปัญหาใิเรื่องนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตอบเพราะตราบใดที่เขายังติดอยู่ในปัญหาเหล่านี้ ยอมไม่มีใครที่จะตอบให้เขาเข้าใจได้เพราะมันเหมือนกับคนตาบอดมาแต่กำเนิดไม่เคยเห็นสิ่งต่างๆเลยสำหรับคนประเภทนี้ยอมไม่มีใครที่จะตอบให้เขาเข้าใจได้ว่าสีแดงสีขาวหรือสีนั้นสีนี้มีลักษณะอย่างไรทางที่ถูกก็คือต้องหาวิธีทำให้เขาหายตาบอดเสียก่อนซึ่งในเมื่อเขาหายแล้วเขาก็จะรู้เองว่าสีแดงสีขาว มีลักษณะอย่างไรโดยธรรมดาคนที่ชอบตั้งปัญหาที่ว่านั้นเป็นเพราะมีความเข้าใจผิดอย่างเลึกซึ้งอยู่อย่างหนึ่งคือเข้าใจว่าขันห้าหรือเบญจขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันที่ปรากฏอยู่นี้ที่ตัวเองรู้สึกอยู่เสมอนี้นี่แหะคือตัวเราหรือของของเราถึงแม้เขาจะเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้ฉะนั้นจึงไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีแม้เขาจะเข้าใจตามนี้แต่ในเมื่อใจจริงยังปล่อยวางไม่ได้ก็แปลว่าเขายังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนอยู่นั่นเองและข้อนี้จะรู้ได้โดยการเข้าสมาธิกล่าวคือถ้าหากยังทาจิตให้สงบ มีสติอยู่กับตัวทุกขณะไม่ได้และทำใจให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆไม่ได้ทำใจให้ว่างจากความนึกคิดทุกอย่างไม่ได้นั่นย่อมหมายความถึงว่ายังปล่อยวางไม่ได้ใจยังไม่ว่างนี่ลหละคือภาวะที่เปรียบเหมือนคนตาบอดและเมาตายัางบอดอยู่เช่นนี้ก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกตัวได้เลยว่าปัญหาที่ว่าวิญญาณเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อไหร่ หรือครั้งแรกเกิดขึ้นมาอย่างไรและหนที่สุดจะศูนย์หรือไม่ศูนย์ปัญหาที่ว่านี้เป็นปัญหาที่หลอกตัวเองมันไม่ใช่ปัญหาที่ควรจะสงสัยเลยเพราะปัญหาที่ว่านี้เมื่อปล่อยวางเรื่องตัวตนเสียได้แล้วมันก็จะหายไปทันทีไม่จำเป็นต้องตอบเลยทุกคนควรจะรู้สึกไว้เสมอว่าในเมื่อใจของตัวเองยังไม่เป็นอิสระ ยังผูกพันอยู่กับอารมณ์ต่างๆยังถูกความคิดต่างๆดึงไปในเรื่องโน้นบ้างดึงมาในเรื่องนี้บ้างยังปัดความคิดทุกอย่างออกไปไม่ได้ก็หมายความว่าความรู้ความเข้าใจของเรายังอยู่ภายในขอบเขตจำกัดของประสาทสัมผัสคือยังรู้เรื่องราวต่างๆเท่าที่ตามองเห็นหรือหูได้ยินเป็นต้นเท่านั้น และในเมื่อความรู้ยังอยู่ภายในขอบเขตจำกัดของประสาสัมผัสเช่นนี้ก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งเรื่องของบิญญาณและเรื่องอื่นๆได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตัวว่าตายังบอดอยู่ทางที่ถูกควรจะพยายามคิดให้น้อยอย่าคิดให้มากนักเพราะถึงจะคิดอย่างไรมันก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งในปัญหาที่สงสัยนั้นๆได้ วิญญาณเริ่มต้นเมื่อไรในที่สุดจะศู์หรือไม่ศู์ปัญหาในทำนองนี้ต้องปัดออกไปอย่างเด็ดขาดควรจะคิดเฉพาะแต่ในปัญหาที่จะสามารถจะตอบได้เดี๋ยวนี้และสามารถที่จะรู้แจ้งได้ด้วยตนเองและก็ควรจะคิดเฉพาะแต่ปัญหาที่จําเป็นหรือปัญหาที่มีประโยชน์เท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะรู้แจ้งในเรื่องของตัวเองนั้น ในขณะที่อยู่ในสมาธิก็ดีหรือในขณะที่เจริญวิปัสสนาก็ดีจะมีความสงสัยใดๆเกิดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างที่นำมาพิจารณาในขณะที่อยู่ในสมาธิจะต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจแล้วทั้งสิน้นหมดความสงสัยแล้วทั้งสิน้นแต่ที่ต้องนำมาพิจารณาอีกก็เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ใจว่างและเป็นอิสระยิ่งยิ่งขึ้น เพราะตระหนักอยู่ว่าเราจะรู้แจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อพยายามไปให้พ้นจากความจํากัดของประสาทสัมผัสเท่านั้นแหล่งที่จะให้ความรู้ตามความเป็นจริงและสามารถที่จะทำให้รู้แจ้งในสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนก็คือใจที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้น จงพยายามพิจารณาแต่ในปัญหาหรือในข้อเท็จจริงที่จะทำให้ใจเป็นอิสระเท่านั้นคนส่วนมากไม่รู้ว่าใจของคนเราถ้าเป็นอิสระอย่างแท้จริงจะสามารถสะท้อนให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างเมื่อเราต้องการจะรู้อะไรสำหรับผู้ที่มีใจเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์นั้นจะรู้ได้ไม่ยากเรามันเหมือนกับคนที่มีกระจกเงาใสายอยู่ในมือ เมื่อต้องการจะเห็นอะไรภายในกระจกนั้นเพียงแต่หันหน้ากระจกไปให้ตรงกับภาพที่ต้องการดูก็จะเห็นสิ่งนั้นภายในกระจกได้ทันทีโดยไม่ยากการพิจารณาอนิจจังทุกขังและอนัตตาในขณะที่อยู่ในสมาธิอันนี้ควรจะทำบ่อยๆและควรจะพยายามทําไปจนกระทั่งรู้สึกอย่างจำแจ้งติดต่อกันไปทุกขณะจิตว่าเ็นจะขันหรือขันห้าเป็นสิ่งที่ดับได้ ศูน์สิ้นได้หมดไปได้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งถ้าหากความรู้แจ้งอันนี้ได้ติดต่อกันไปเป็นเวลานา น, านพอสมควรแล้วความปล่อยวางในเรื่องตัวตนก็จะเกิดขึ้นเองแล้วใจก็จะเป็นอิสระจากอารมณ์และความคิดทุกอย่างการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงภาวะอันนี้เท่านั้นที่เป็นทางตรงและสั้นที่สุดและประเสริฐที่สุด ที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งในปัญหาทั้งปวงอย่าไปมัวหลงไหลคิดอยู่แต่ปัญหาดังที่กล่าวมา น, นั้นเลยเพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย